r i g h นั่นนัสุลนัสุลลออธิบายยังไงอ่ะเพว่าใครที่ลืมอัลลอฮ์คนที่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยก็คือลืมตัวเองภาษานี้ดีมากเลยนะใครที่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับลืมตัวเองคนที่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยทําไมเดือดห่วงตัวเอง พูดง่ายๆแล้วกันนะคนที่ไม่ห่วงตัวเองก็คือคนที่ลืม a l ล a h ในอัลกุรอานในยะอื่นมีอีกว่าลอะไรนะอันซานิสาฟานาเซีอะไรลืมไปแล้วท่านทั้งหลายอย่าทำตนเป็นคนลืม a ลล a h ใครที่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับเขาลืมอัมฟุตซาหุมเขาลืมตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคนดีนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเขาก็เป็นห่วงตัวเองนึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับนึกถึงตัวเองตลอดเวลาดังนึกถึงอัลลอฮ์น่ะดีไหมดีนึกถึงอัลลอฮ์โดยการนามาดนึกถึงอัลลอฮ์โดยการกล่าว บ, บนตัวอาร์ต่างๆนึกถึงอัลลอฮ์โดยการเข้าหาอัลลอฮ์โดยการทํานมาด สวัสวันละมาศหรือนามัสในภาษาอุรดู น, ะนึกถึงอ AH ัลลอฮ์โดยการทําดีกับพ่อแม่นึกถึงอัลลอฮ์ทุกครั้งที่จะทําความดีเป็นนึกถึงอัลลอฮ์เท่ากับเราไม่ลืมตัวของเราเองขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมาเนี่ยสุรอะอะไรนะอัลกัฮ ah ฺขออ่านฮะดิษดนิดนึงนะเพื่อความทรงจําคือเตือนกันนะ่ะ หนังสือที mm ่ผมถืออยู่นี่เป็นหนังสือตับอิซีนะอธิบายอย่างนี้ก็าบอกว่ามัน قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مَن قرأ العشر الأواخر رَمَن حفظَ عشر آياتٍ من أولِ سورةِ الكافي أُسِمَ من ا น د ج ا ل رواه مسلم وابو داود ونسائي وطيرمذي ใครที่ท่องจำคาฟิยะหมายถึง remember, memorize, <PI> m e m ใครที่ท่องจำท่องจำาอะไรย่างอรออายะติบอายะมินอววาลซูรตั้งแต่อายะแรกไปอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอันซาลาฮัลลอับดิฮิลกิตาบะลัมย์ัลลูอิวจา ต้องรู้ความหมายด้วยนะเข้าใจความหมายด้วยนะสิบอายะเนี่ยรู้ไม่ได้อะไรเอุสอมาม่นัดดัจจันในในนี่ยในคุรานมีอยู่ในฮะดีเสมดเนี่ยอุสีมาม่นัดดจัจจันดดจอัลลอฮฺจะคุ้มครองคือ ด, ดัอลลอฮฺเขาคนนั้นนจะถูกคุ้มครองจากชัยต์ต่อจาก ด, ดาันชายนี่ไง นึกถึงอัลลอฮ์อ่านอาัลกุรอานอัลลอฮ์คุมครองเราเห็นไหมท่านคนที่ลืมอัลลอ์ไม่อ่านอาัลกุรอานเท่ากับลืมตัวเองท่า น, นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆตลอดเวลานั้น น, นึกถึงอัลลอ์จับกุรอ่านเอากุรอานมาอ่านเนี่ยเลือกอ่านอา้ายไหนก็ได้ถ้าเจาะจงจะอ่านสุรอ้อนนี้อัลฮัมดุลิลลาะอิลลอันซลลัะลาอับดิกิตาบอนป็นสิอายะ เขาจะถูกคุ้มครองจากดัญจารจากไสต์ตอน์เห็นไหมมาดูแลตัวเองของเราโดยการอ่านอัลกุรอานดูแลตัวเองด้วยการอาบน้าน้ำมาดูแลตัวเองด้วยการมาหนามาดังนั้นคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เท่ากับเขาเป็นห่วงตัวเองดังนั้นคนไม่นึกถึงอัลลอฮ์เขาทําร้ายตัวเองขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วก็ทบทวนความหมายของอัลกุรอานแล้วก็ ความหมายเราก็มีคำอธิบายบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เยอะถ้าเยอะเนี่ยอายาเดียวเนะี่ยไม่จบนะความหมายละเอียดเอาเท่าที่เราสามารถที่จะนำมาไใช้ในชีวิตประจำวันได้วันนี้มาถึงอายาที่ย2สบเรากำลังอยู่ในช่วงของการอะไรนะคนหนุ่มเด็กหนุ่ม i y a ย a อ a มา b i บิ b บ i หิมคนหนุ่มๆที่มีาศาสนามีไหมมีแต่แต่ยุคก่อนมาแล้วทั้งคนหนุ่มไม่ใช่เลวทั้งหมดคนหนุ่มที่ดีมีไหมมีอย่างพวกเธอที่นั่งน่งอยู่ในมันสยิดเนี่ยนี่คนหนุ่มที่รอรอเข้าสวรรค์นนะอ่ะทีนี้คนหนุ่มนะ ท, ที่มีาศาสนากับคนแก่ที่ไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยใครดีวกว่ากัน แน่นอนที่สุดคนมีาศาสนานั้นดีกว่าคนที่ไม่เอ า, าศาสนาคนที่มีอัลลอฮ์เนี่ยเขาดูแลตัวเองของเขาเขามีอัลลอ์นะคนที่อยู่ในถ้รมีอยู่กี่คนก็ ถ, ถ, ถกเถียงกันตั้งสมัยนู้นมาแล้วคนที่นอนอยู่ในถ้รเนี่ยมีกี่คนอยายนี้อธิบายให้ฟังอาย่านี้แหละที่จะอ่านอายาที่ยี่ยีสบสองเนี่ยไยูลูนะ สัลาสตุ์รับียงหุม่มกลบุ่มสยกูลูนพวกเขาหมายถึงชาวคริสเตียนหรือพวกมุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนั่งเถียงกันนั่งคุยกันส่วนใหญ่ไอ้ไม่ใช่คุยคงจะเถียงกันน่แหละเท่าไรสามกี่คนสี กี่คนหกอะไรเงี้ยนั่งเถียงกันว่าคนที่อยู่ในถ้ำนะ่ะมีอยู่กันกี่คนก็ น, นั่งเถียงกันนี่อลัลลอฮเล่าให้ฟังเลยไายากูลูนะพวกเขานะครับหรือคนทั่วไปในไมฆาเนี่ยจะกล่าวว่าพวกชาวถ้ำนั้นมีสามคนนะพวกชาวถ้ำมีกี่คนนะสามคน แล้วก็รอบลอุมกันบูฮุมและที่สี่ของพวกเขาก็คือสุนักตดลองว่ามีอยู่สามคนบางคนพูดว่าอย่างนี้สามคนแล้วก็ตัวที่สี่คือสุนักคำว่าสุนักเข้ามาอยู่ในกลุ่มมุสลิมเนี่ยพวกเราหลายคนรับไม่ได้หมามา่ยู่ได้ไง ด้านหมานี่นะอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้เราเลี้ยงบนบ้านไม่ให้เลี้ยงแบบคนกาเฟ่เลี้ยงหมามาอุ้มหอมเอาเลินมาเลี้ยเราบ้างอะไรบ้างเคยอ่านอุ้ซื้อพิมพ์พบว่าบางทีหมามานิกากับเจ้าของบ้านก็มีเหมือนกันใช่ไหมหมานิกาเลยอืมทีนี้คําว่าเลี้ยงเลี้ยงสุนัขนี่นะไม่ใช่มาเลี้ยงอยู่ในบ้านเลี้ยงอยู่นอกบ้านยังมีรั้วบ้านใช่ไละ่ะ หมาเนี่ยอยู่นอกรัว้วคอยดูแลเฝ้าเฝ้าบ้านหรือเราเลี้ยงแกะสักร้อยตัวหรือพันตัวเอาหมานี่นะดูแลก็เรียกว่าหมาที่ฝึกถูกฝึกมาแล้วเทรนด็อกในภาษาอังกฤษเรียว่าการบุญหมั ล, ลิมหมาที่ถูกฝึกมาแล้วสุนัขที่ถูกฝึกมาแล้วพวเนี้มันจะดูแลสวนดูแลบ้านไปล่าเนื้อไปล่าล่าสัตว์มาให้เจ้าของอย่างนี้เป็นต้นก่อนจะปล่อย ปล่อยสยัตว์ปล่อยหมาก็อ่านบิสมิลลาแลวก็ปล่อยไปใช่ั้มทีนี้คนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยบางคนพูดว่ามีกี่คนนะสามคนและที่สี่ก็คือกันบูฮุมหมาสุนัขของพวกเขาสังเกตนะเลขขี้หมดเลยอะ่ะเลขขี้ วายกูลูนะคมสตุนสัดิสุหุมกัลปุหุมบางคนพูดว่าบางคนจะกล่าวว่าหรือจะพูดว่ามีห้าคนคมทาบไปว่าห้าสดิซุหุมกัลบุหุมและที่โกกของพวกเขาคือสุนักของพวกเขา กลุ่มที่หนึ่งพูดว่ามีอยู่สามคนกลุ่มที่สองมีกี่คนห้าคนแล้วก็ที่หกก็คือหมาของพวกเขากลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเนี่ยเรลลาเล่าเองเนะเราจะมัมบิลอยบเราจะมัมบิลอยเเดาวพวกเขาเดาในเรื่องที่ไม่รู้ รอยจมันแปลว่าพูดเดาๆอย่างนั้นแหละในภาษาฮะดีษอธิบายดีนะออกระบวนการก้านละันบิลาอินมินพูดโดยไม่มีความรู้ร อ, รอยจมัมบิลอยบหมายถึงพูดโดยไม่มีความรู้แสดงว่าไม่ใช่สมแต่ไม่ใช่ห้านาวิเทสมีเท่าไหร่มีหนึ่งเรียกขี่ใช่ไหมแล้วก็มีสมแล้วก็มีห ทำไมทำไมอัลลอ์ชอบเนี่ยชอบเลขขี่น บ, บีบอกนะอัลลอ์เนี่ยชอบเลขขีเลขจานวนขี่นะหนึ่งสามห้าเจ็ดเกเหมือนกันเวลาเรานั่งเราขอดูอาเนี่ยคืออิหมามเนี่ยนะเวลานำ น, ำนำอิหมามเวลาอ่านดูอานสุบฮานรบิยัลอาลาเนี่ยให้ว่ามากกว่ามะมุมเพราะว่าสักห้า สุบฮานุรรบิยัลอาลาสุบฮานรบิยัลอาลาสุบฮานรบิยัลอาลาให้ว่าสามไปสามว่าเท่ามะมุมอย่ามันวายวายไปให้ว่าห้าหรือว่าเจ็ดหรือว่าเก้าให้ยาวกว่ามะมุมนิดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะอาวอาทีนี้เรจะมาบิลร้อยบิลแสดงว่าสามคนนะผิดห้าคนก็ผิด ที่ทูว่าเท่าไรวายาคูลูในกลุมที่สามและบางคนยังกล่าวว่าซาบอาตุลมีเท่าไรมีอยู่เจ็ดมีอยู่เจ็ดคนวาซามินูฮุมกัลบูฮุมแดดที่แปดของพวกเขาคือสุนัขของพวกเขานี่คือคำตอบจากอัลกุรอานเพราะอัลลอ์เล่าว่าว่าฉันจะเล่าเรื่องจริงๆให้ฟัง ขะนั้นเขาเถียงกันมาเยอะแล้วแล้วจะต้องเถียงกันอีกต่อไปอีกจนกว่าจะถึงวันเกียมากว่าเท่าไหรเท่าไรากันแน่อัลลอฮ์ตอบเลยที่ถูกมีอยู่ซาบาตุนมีอยู่เจ็ดคนแล้วก็ะชื่อมีด้วยนะเจ็ดคนเนี่ยในตับเซออินโกนกซีอธิบายไว้เจ็ดคนนะมีชื่ออะไรบ้างคนคนที่หนึ่งเป็นหัวหน้านะชื่อมุกซัลมีน่า ยาตั้งยากไปตั้งชื่อลูกอัลลอฮฺบุกซัลมีนาะนะว่การอาคบารุหุมบะฮุบัลลัลลิัลลัมล์มลิกอันหุมคนนี้เป็นคนเจราจากับกษัตริย์เข้าไปหากษัตริย์เข้าเฝ้ากษัตริย์ไปคุยแทนพี่น้องอีกหกคนอย่างนี้เป็นต้นคนที่2ชื่อยามลีคคนที่สมชื่อมารตูนัสคนที่สี่ชื่อกัสตูนัส คนที่หชื่อเบรูนัสคนที่หกชื่อลาซูนาวัสคนที่เจ็ดยาตบูนัสลงนัสนัสนัสหมดนะเอานะนั่นเป็นชื่อของเด็กหนุ่มที่นอนอยู่ในถ้ำมีทั้งหมดกี่คนนะเจ็ดคนที่แปดก็คือสุนักนะครับสุนัขนี่ก็ดีนะอยู่ใกล้กับคนดีกลากลายเป็นสอง ของของดีๆทั้งหมดนะเอาตัวมาครับกุลรบบีอัลลอมูบียดะตีหิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระผู้อภิบาลของฉันรอบบีเนี่ยแปลว่าพระผู้อภิบาลของฉันอัลลมูบอยดะตีหิมทรงรู้เรื่องนี้ นะครับรู้เรื่องนี้ดีมากเลยบิดดาจีหินจำนวนของพวกเขาอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงจำนวนของพวกเขาเนี่ยคนเนี้ยน่ะดีอัลลอฮ์สอนนะให้พูกพันกับอัลลอฮ์เอาไว้จำนวนที่แท้จริงไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาหุบอลาทําไมพูดนึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆเนี่ยดีไหม หัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยดีหมดจะทําอะไรก็ตามแต่หรือว่าสอนสอนสอนหนังสือจบแล้ววัลลอฮูอาลัมนะครับอัลลอฮ์นั้รู้ดียิ่งกว่าคนที่สอนอีก mm hmm. ถ้าพูดอย่างนี้การโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยดีหมดเลยทําให้คนสอนหนังสือไม่ตะกับบุตรทําให้คนที่สอนหนังสือคนไม่เยอหยิ่งจองหองว่าฉันแน่หรือว่ากูแน่มึงไม่แน่อะไรเงี้ย ถ้าเราโยงกัอัลลอฮ์ปับเน่ความถ่อมตนมันจะตามมานอบน้อมจะตามมาไม่ตะกะบุตรไม่เย่อหญิงไม่จองหองทําไมไม่ให้เย่อหญิงจองหองเนี่ยอัลลอฮ์สอนพวกเราทุกคนไม่ให้ตะกะบุตรเพราะอะไรเพราะลักษณะของคนตะกะบุตรเป็นลักษณะของชัยตนใช่ไมลนะ่ะท่านคนที่อา่าสซุรออัลก้าฟี่เยอะๆนี่นะเขาไม่ตะกาบุตเพระาะเขาเ ข, ข้าใจความหมายของมันมนะ่ะ อสซีมามินัดด า, าร์านเนี่ยถูกคุ้มครองจากไซตตอนดาจา์านไม่ให้อิทธิพลไซตตอนหรือไม่ให้สิทธิ์ของไซตตอนมาอยู่ในตัวของเราอัลลอฮฺกระจัดออกอัลลอัลลฮัลลอจุลีลาห์ฉะนั้นอ่านคงอานแล้วรู้ความหมายเนี่ยดีม า, มากๆเลยน ะ, ะเอาต่อมาครับกุลรอบบีอัลลามุบิอิดดะติห์ม จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงจำนวนของพวกเขามายาลามูฮุมอิลกาลีลไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้เว้นแต่กอลิลส่วนน้อยคนที่รู้จริงๆผู้ที่รู้จริงๆก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل และน บ, บีมุฮัมมัดที่อัลลอฮ์บอกผ่านทางวาฮีลงมาเท่านั้นเองแสดงว่าเรื่องคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยอย่าไปอย่าไปสนใจมากต้องค์การจะบอกตรงนี้แหละอย่าไปสนใจเยอะสิ่งที่สําคัญกว่าจํานวนอะไรนะจํานวนคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมีหกคนห้าคนหรือสามคนหรือสี่คนนั่นอะ่ะอย่าไปสนใจเยอะเวลาคนพวกคนยโฮดี ถือใครมาถามนาบีบอกามาุฮัมมัดหุ่นอยู่สนใจเรื่องด่วะดีกว่าเรื่องด่าวะเรื่องตับลีกเรื่องศาสนา เ, ส า, เาเรื่องเผยแพ่อิสลามไอเรื่องตอบปัญหาเนี่ยไม่ต้องตอบบ้างก็ได้ตรงการจะบอกคนให้อยู่สนใจในการเผยแพ่ศาสนาให้คนได้รู้จักอัลลอฮ์และรซูลมากกว่าที่จะมานั่งตอบปัญหาไอาเรื่องปิดย่อยแบบนี้เพื่อบอกให้รู้บอกพวกเราด้วยกันนะ เดือดทะเลาะกันนะอย่าไปยุ่งมันปล่อยๆัมันก็ได้เสียองถึงเถียงกันนะดีไหมไม่ดีบ่อยๆรั้วไปถึงสามีภรรยาที่เถียงกันบ่อยๆนะดีอะทะเลาะกันบ่อยๆนจะดีกนั่นผู้ชายอะต้องทำไม่เห็นไม่เห็นมัน ก, ก็ได้พอเห็นเมียบนคนเดียวยวันแล้วกันนะเอาต่อมาครับฟาลาตูมารีฟ um ิหิมอันนี้สั่งดีนะฟาลาตูมารีฟ um ิหิมดังนั้น จงอย่าได้โต้เถียงกันเห็น ไ, ไหมนี่อัลลอฮ์สังส่งไม่ให้โต้เถียงกันแต่ที่บางคนก็ท่านอัลลอฮ์สั่งไม่ให้โต้เถียงเรื่องนี้เรื่องคนที่อยู่ในถ้ำอย่างเดียวไม่ใช่คุณอาณ่านพอสัง่งเนี่ยสั่งทุกเรื่องทุกสถานที่เอาไปใช้ได้ก็เรื่องครอบครัวได้ไหมได้เรื่องลูกเรื่องเมียได้ไหมได้เรื่องสุราได้ไหมได้เรื่อง ม, มูนิธิได้ไหมได้ เรื่องสมาคมได้มาได้หมดทังทีไปเถียงกันเยอะๆฟาดาตูมารีฟิมท่านทั้งหลายจงอย่าได้โต้เถียงกันคําว่าโต้เถียงก็คือทะเลาะกันนั่นแหละอย่าทะเลาะกันเป็นน้องทราบไหมผมอ่านขัดดิพบอันแลอธิบายเอาขัดดิสมาอาธิบายเอาคุรานมาอาธิบายเสริมเนี่ยนะมีอยู่ข้างหนึ่งนบีออกจากบ้านเรื่องทะเลาะกันนี่แหละนบีออกมา อัลลอฮ์เนี่ยบอกให้รู้ว่าคืนไหนพิงคืนไลด์เดอตุลกอ้อดรีน บ, บีก็เดินออกมาจากบ้านก็เห็นซอฮาบะฮ์นั่งจะเป็นกลุ่มสองสามกลุ่มก็นั่งเถียงกันเนี่ห น, น้าแดงเถียงกันว่าเมื่อคืนไหนเป็นคืนไลด์เตุลก้อนดอ ร, ดรบางคนบอกหยบเจ็บบางคนว่าคืนที่คนนั่งเถียงกันอย่างงี้ลนะน บ, บีกออกมามาเห็นน บ, บีก็บอกนี่รู้เปล่า ตอนฉันออกมาจากบ้านเนี่ยนะอัลลอบอกฉันว่าคืนไหนเป็นคืนไลโอตุลกอรเดราพอมาเห็นพวกคุณนั่งเถียงกันหน้าตาแดงๆอัลลอยกไปเลยเลนไม่รู้ว่าวันไหนนั่นให้แสวงา ok ri, หาไลโอตุลกอเดรในสิบคืนสุดท้ายต้องการอธิบายยังไงบริการไม่มีคนที่เถียงกันเยอะๆเนี่ยบรากาไมีไหมไม่มีอ้าว พ่อกับแม่เนี่ยเถียงกันทุกวันะคนที่ปวดหัวนะ่ะขายลูกลูกไม่มีบริกาศเตขึ้นมาอมมามะไปยอทะเลาะ ก, กันอีเ ล, ล่ฮะอลนตร์บริการมีไหมไม่มีก็ตั้งอย่าทะเลาะ ก, กันนี่นกูอ่านกระสั่งฟาลาตูมารีฟิหิมมุฮัมมัดเอ๋ยดังนั้นจงอย่าได้โต้เถียงกันอย่าทะเลาะ ก, กันในเรื่องราวของพวกเขาวนะ อิลามิรออังรอฮิรอนอกจากการโต้เถียงที่ประจักษ์แจ้งคือที่มีหลักฐานจากอัลกุรอานที่ท่านรู้จากอัลกุรอานหลักฐานที่ท่านเรียนรู้จากอัดีิษเนี่ยเอามาคุยกันเถียงก็เถียงกันบ้างได้เล็กๆน้อยๆได้ถ้ามีหลักฐานชัดแจ้งเนี่เถียงกันเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะ อิลลามิรออันทว่าอิรออาตอมักับวะลาตัสตัฟตีมินฮุมอาฮะเดะแล้วมุฮัมมัดเอ๋ยจงอย่าสอบถามเรื่องนี้จากผู้ใดในหมู่พวกเขาคือพวกอลัลลกิตาบอย่าไปถามเรื่องนี้กับคุนอลัลลกิตาบนี่อาญานี้อาวัคเดียวต้องการจะสอนพวกเราดินะจะถามปัญหาอะไรอ่ะ ต้องหาคนที่เขาถนัดด้านนั้นจะถามเรื่องเข่าสารฟิตรอรถามใครถามมุสุฟนะิกเขาเอาเลมได้านนี่จะถามเรื่องน้ําหวานสีแดงสีเขียวต้องถามยูซุฟจะถามเคนงานส่งคนงานไปนอกต้องถามคุณเฉลิมไม่ใช่ไปถามใครก็ได้ถามคนที่เขาถนัดในด้านนั้นฟาสอะดูอาลัดวิกริอิงกุนตุมและตาเลมู อย่าไปถามมั่วท่นอัลลอ์สั่งกับมูฮัมหมัดเอ่ยเรื่องอย่างนี้อย่าไปถามคนยิวนะอย่าไปถามพวกคริสเตียนนะอย่าไปถามอาลลกิจตเนี่ยถามไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่าเขาหาที่มาจริงๆไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะถามก็ถามอัลลอ์นะอย่าอัลลอ์ช่วยอธิบายให้ฉันหน่อยอย่างเนี้ยถูกต้องที่สุดนี่เป็นการสอนพวกเรานะ อย่าไปถามใครมั่วๆแต่นี่เป็นต้นนะหาคนที่มันถูกต้องเข้าใจเรื่องถามคนคนนั้นนะวัดตาสต์ติมินหุมอาหะดาจงอย่าสอบถามเรื่องนี้จากผู้ใดในหมู่พวกเขาคืออาลุลกีตาบผู้อลุลกิตาบเนี่ยชอบเล่านิทานแล้วนิทานอย่างไรเรื่องโกหกกันนะเรตอแหลทางนั้นใช่ไหมแล้วการดูละครด้วยนะ การดูละครเนี่ยเรื่องเรื่องไร้สาระเป็นน้ำเน่าทั้งหมดจะ น, น้า ม, มุสลิมเนี่ยเขาไม่ดูละครอ้อแต่เมียตัวครูดูแฮ่เมียตัวอิหม่ามดูอ้อเมียตัวขอเตบดูเมียกรรมการสเราวดูเผอไม่ได้ละครละครมันยันเพินดาราแต่งตัวสวยทะละกันอะไรกันอ้าว เล่าะห้ฟังแค่นั้นอย่านะพยายามหลีกเลี่ยงเสียงเหล่านั้นเอาเวลามาดิกรุลล่อมาอ่านคุรานมาทําความดีดีกว่าเนี่ยเราได้จากความรู้จาอัลกุรอานใช่ไหมอัลลอฮ์สอนห ม, มดเลยทำดูเลยละเวลาตัสตัฟติมินหุมอาฮะดาตักซิดอธิบายดีและมุฮัมมัดจงสอบถามเรื่องนี้จากผู้ใดในหมู่พวกเขาคืออลัลลกิตาเพราะพวกนี้ชอบเล่านินทานและมีแต่การเดา เหมือนกันจะถามเรื่องสุนนะไปถามคนที่ไม่เอาสุนนะเนี่ยขวางเลยเราต้องการสุนนะใช่ไหน่ะน้ำมาตามสุนนะอาบน้ำน้ำมาตามสุนนะใช่ไหมนอนตามสุนนะกินตามสุนนะอยู่ตามสุนนะไปถามคนที่ขวางสุนนะพาไปไหนพาเข้าป่าเข้าพรมหมดฉันต้องเลือก อ๋อจะเรียนสุนนะก็ต้องเลือกโรงเรียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้จะเรียนขวางสุนนะก็เลือกโรงเรียนมีอยู่แล้วนะโรงเรียนนี้่นี้่นี้อธิบายไปน้องนึกเองใช่ไหมเต็มไปหมดนะคนที่ขวางสุนนะและคนที่ต้องการจะพาไปหาสุนนะต้องเลือกได้ไปนอ้องเนี่คุอณอ่านสอนอะไรนะสอนเราชายชายปัญญานะเอาต่อมาอายาที่ี่สิา ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا นี adaptive, ่อัลลอฮบอกนบีมุฮัมมัดนะบอกว่าจงอย่ากล่าวอ่าว ل ا تقولن นะนี่พี่น้องคนที่เรียนนะฮูเนี่ย ลันน้าเนี่ยเป็นนูนตะกี้นะเน้นนะอย่าพูดอย่างเด็ดขาดอ่าววลาตะกูลันหนาและจงอย่ากล่าวหรืออย่าพูดนะลิใช้อินแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตันสินทธิ์อธิบายอย่างนี้ฮาดาอิรชาดุมินอัลลอฮฺลิรษูลิฮิอิลัลอาดับ Allah ต้องการจะชี้กับชี้นำท่านรอซูลรอซูลของท่านเองคือนบีมุฮัมมัดนะสอนเรื่องมารยาะเรื่องมารย า, านะึนอัคลาคเลยนะเวลาจะพูดจากับค น, นนะคเนี่ยนะคำว่าลิชัยอินเนี่ยไม่ว่าสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ย อ, อธิบายยังไงกอลีลันเอากาซีรอน ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กหรือจะสิ่งสิ่งใหญ่ๆก็ตามนะอย่าพูดนะอินนีไฟลุนแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทาอันนั้นราลิกะรอดันในวันพรุ่งนี้หรือขงหน้านี้อย่าพูดว่าฉันจะทำในวันพรุ่งนี้คงว่ารอดันหมายถึงอนาคตเช่นปีหน้า อีสองปีหรืออีสามปีหรืออีหกเดือนหรืออีเจ็ดเดือนหรือวันพรุ่งนี้หรือว่ามารืนนี้เนี่ยอย่าพูดคำว่าฉันจะทำในวันพรุ่งนี้อิลลยกเวนอ่า อ, า, อ า, ยย า, าอิลลัยอีชาอัลลอ์เวนแต่ต้องกล่าวคำว่ามาอะไรนะอินชาอัลลอฮ์ควบคู่กันนี่สอนใครสอนเราวันนี้ สอนมุสลิมกว่า น, นี้พอสอนนบีม uh ุ hammad ปั๊บเราได้ความรู้มาอ่านคูอนานนัยนี้โอ้ล l l a h สอนว่ล้ต่คูลั่นน่ะ lishayin ท่านทั้งหลายอย่าพูดเกี่ยวกับสิ่งใดคําว่าล i s h a y i n น่ะ small or big ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นี่นะถ้าสัญญาว่าจะทําในวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าต้องพ่วงด้วยคําว่า อินชาอัลลอฮ์ไอ้มะนี่หลักฐานนี่มาจากไนมาจากุรานม่าจากะดีจากคุรานเลยนะเพราะนั้นรบอกกับภรรยาเวาจะซื้อทองให้ภรรยาอินชาอัลลอฮ์ในใจลึกๆน่มันจะซื้อเราเงินไม่มีพอให้แฟนภรรยาดีใจภรรยาโอ้ดีใจใหญ่ทีเซื้องให้อย่างดีหูวอาหารให้แต่วเดียวจะซื้อทองให้อินชาอัลลอฮ์ พูดกับภรรยาแบบนี้เนะี่ยไม่บาปบาปหรือไม่บาปบาปไหมไม่บาปมีอยู่สามเรื่องนะที่หลอกหลอกกันนะไม่บาปคุณนีไ้ไปแต่งงา น, าานงา 7, ใช่ไหมจะแต่งวันที่เจ็ใช่ไหมคือ <c oughs> บอกกับภรรยาบอกว่าฉันจะจะซื้อทองไนะอ้ชาร์ลใจนึกอนะ่ะไ ม, ไม่ไม่ไม่จะซื้อให้เราไม่บาปโอ้ถ้าเอาล่อเอาเรื่องนะบาปตายเลยเนี่ย อัลฮัมดุลิลลาห์ในบุชายชอบแล้วคุณลองเมียกูมากไป่ไปองอาลาตกล่วลว่าโกหกกหกภรรยาให้สยามดีใจจะได้ไหมได้เห็นไหมมีอยู่สามเรื่องหนึ่งโกหกภรรยาสอ ง, อ, กกยองทะเลาะ ก, กันเนี่ยเขาคุทะเลาะกันเราให้เขาดีกันจะ <c oughs> มีผ ล, ลบุญอัลลอห์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็อะไรอีกเรื่องหนึ่งสงครามอ่า สงครามกันก่อนทะเลาะกันแล้วก็เข้าไปเจราจาก็หงบ้างตอนแล้วบ้างอะไรบ้างคนบดีกันเนี่ยผลละบุญมีรวมมาถึงพระยาด้วยนะครับประรัมดูลิลลาอ่าตกลงว่าเ <c oughs> วลาจะกล่าวอะไรก็ตามนะให้กล่าวว่างไงนะอินชาอัลลอฮวลาตะกูลันนลิชัยอินอินนีฟาอิลุนลิกะกอเเรื่องชั่วไม่ได้นะ อย่างนักเรียนเนี่ย้แอบไปข้างนอกกันในกะูโบอินชาอัลลอฮ์ประจํารายปสูบุรีอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าอินชาอัลลอฮ์แอบประจํากูโบนะประจํรายสูบุรีการอินชาอัลลอฮ์ไอเรื่องชั่วๆอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปอินชาอัลลอฮ์นะก็ไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่ทําไม่ทําไม่ทํานะวาลาตะกูลันนาลิชัยนและจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดคําว่าสิ่งใดหมายถึงสิ่งเล็กหรือใหญ่อ อินนีฟาอิลุนแลิกาโกดันแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทำอันนั้นพรุ่งนี้หรือข้างหน้านี้ต้องกล่าวคำว่างไงนะอินชาอัลลอฮ์สาเหตุที่อัลลอฮ์ประทานอันอุคอานอัยยานีลงมาเป็นงนี้มีชายอยู่คนหนึ่งผู้ปฏิเสธนะผู้แอนติอิสลามนี่แหละมาหาท่านนาบีทายะห์มุฮัมมัดประชูมของอัลล์เอ๋ย มาถามสามเรื่องหนึ่งวิญญาณวิญญาณคืออะไรเรื่องที่สองอาาบุลกาฟิชาวถำ้ำเรื่องราวมันเป็นยังไงอันที่สามยุลกอร์ไนน์เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนบีพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะเล่าให้ฟังและนบีไม่จะกล่าวคำว่าอินชาอัลลอ์รู้เป่าวะฮีไม่มากี่วัน สิบห้าวันในตัปสิทธอธิบายเลยนะสิบห้าวันยิบรีนไม่ลงมาหานาบีอัลลอฮ์ไม่ส่งมาสิบห้าวันหน้าแตก่ะแตกอ้าวฮัมหมัดท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะอธิบายเรื่องที่ฉันถามเมื่อวานนี่สามเรื่องนี่มันสองวันแล้วอีกสามวันแล้วสี่วันแล้วห้าวันแล้วเสียหน้านะหน้าแตกมากเลยนะอัลลอฮ์นบีเสียใจมากอ่ะเอ๊ะทำไมวะฮีไม่มา แล้วอัลลอ์ก็ให้จิบริลงมาก็มาลงอายานี้แหละว่ลาตะคูลันนัลิชายินอินนิฟะอิลุนจาลิกาโคดามาฮ์มัดเอ๋ยจงย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทำอันนั้นพรุ่งนี้อิลลอิยาชาอัลลอฮ์นอกจากหรือเว้นแต่ต้องการว่าที่อัลลอ์ ทรงประทงต้องกล่าวควบคู่กันนี่เป็นอัคลากเป็นมารยาทอัลลอฮฺอัลลอฮฺฮะมดุลิลละมีอยู่เรื่องหนึ่งหดดิษอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายนะในหดดิษคุหมาบุคอารีกับมุสลิมมีอยู่คืนหนึ่งนบีสุไลมานนี่ในมุมมัดเล่าเองนะนบีมุมมัดเล่าเองว่านบีสุไลมานนั้นเป็นกษัตริย์ที่ very rich ก่อนนี้ยุนจิตดันเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดแล้วก็เข้มแข็งที่สุดอัลลอฮฺอักบารนบีสุไลมานเนี่ยลูกเป็นลูกของนบีดาวูดอะลัยฮุสสลามพูดบอกว่าอย่างนี้ละอตูฟันนัลไลละอลาสไนอิมรอะคือเนี่ยฉันจะเวนไปหาภรรยาฉันไปนอนกับภรรยาฉันนะเจ็ดสิบคน พยาเยอะเจสิบคนคืนหนึ่งพอหรือไม่พอเนี่ยนะนะนอนเจ็ดสิบคนแล้วก็พูดว่าไงนะตาลีดักุลูอิมรอตินมินหุนนากรุ่นมันร่วมกับนางนอนร่วมกับนางจะมีลูกนางผู้ชายคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเจสิบคนน่ะเจ็ดสิบคนเนี่ยอยู่ก้อนิ้นฟีซาบิลีลาคลอดออกมาแล้วอนาคตเป็นผู้อะไรอนะออก ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เห็นไหมนี่เป็นน้องได้ความรู้ไลยว่าเนียดสามีที่นอนร่วมกับภรรยาเนี่ยวเวลาได้ลูกมาจะให้เป็นอะไรบางคนเนียดตั้งแต่นิกายเลยลูกเป็นดาราอัลลอ์ลูกเป็นดาร า, <c oughs> า, ราแต่ยังไม่ท้องอ่ะเนียดผิษ อ, อัลลอ์ว่าดูนบีสุลัยมานสอน่ะเนี่ยมุฮัมมัดนบีนเล่าเองนะ เนี่ย <N ed it> ให้ลูกที่คลอดจะคลอดออกมาเป็นนูโกติลฟีซาบิลล์ล่ะลูกออกมาเพื่อมาปกป้องาศาสนาของอัลลอฮ์เนดีเนี่ยดีหรือรว่าเลวดีหมดเลยนี่กันแนวคิดไยคิดตามนาบีนะไะใช่ไหมล้วเป็นไงฟาตีลลาหูมีอยู่บางคนพูดบอกว่ากษัตริย์กษัตริย์ที่เคารพอะไรย่าค่ะพอะไรอย่างเงี้ยนะ กุลอินชาอัลลอฮ์ท่านกล่าวคำนี้สิอินชาอัลลอฮ์พูดว่าฉันจะไปหาภรรยาฉันแล้วก็จะร่วมหลับนอนแล้วก็ว่าอินชาอัลลอฮ์ด้วยฟาลัมยากูลนบีสุลัยมานไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดและผลเป็นไงฟาตอฟาบีฮมิมก็เข้าไปหาภรรยาฟาลามยาลิด ม, um ah มินหุมอิลลาอิมรออาหัวฮิดะไม่ไม่ได้ลูกสักคนหนึ่ง ใช่ไหมผลรางวัลเราล่อไม่ให้อ่ะใช่ไหมได้มาคนหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์เห็นยังเนี่ยลูกที่ไม่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยบางทีเราเนียดไม่ดีเห็นไหมฉะนั้นการร่วมหลับนอนกับภรรยาเป็นอิบารดาด้วยนะเป็นศาสนาด้วยเป็นการศึกษรุลนล่อด้วยฉะนั้นได้ลูกออกมาเนียดยังไงพ่อมันก็วัดกันละวัดความรู้สึกหัวใจเธออิคลาสกันสะอาดขนาดไหน บางคนเนียดเ่อหาความสุขบนเตียงนอนพอลูกไม่เกี่ยวเห็นไมเพราะนั้นตอนต้องเนียดเนียดตามที่ท่านนาบีอธิบายนาบีสุลมานท่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ได้กล่าวคำว่าไรนะ อ, อัลลอฮ์นบีพูดยังไงนะฟอก็และเราซูลุลลอฮ์นบีสอนบอกว่าวันละีนับสีบียาดี ฉันขอสาบานต่อชีวิตของฉันที่อยู่ในพระหัตของอัลลอ์ว่าเราก็ลอินชาอัลลอฮ์ท่านนาบีสุลัยมานกล่าวว่าอินชาอัลลอ์วันนั้นนะนะลำยห์นัสแปลว่าจะไม่ผิดคำสาบานจะต้องได้ลูกครบเจ็ดสิบคนแล้วก็สตรองแข็งแรงปกป้องศาสนาทั้งหมดเลยเพราะขาดกล่าวอินชาอัลลอ์ เรื่องใหญ่นะเรื่องเนี้ยเรื่องชีวิตของเรานะใหญ่มากแค่นั้นต้องผูกพันกับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์เยอะๆนะเอา้าได้ความรู้นะผลลัพธ์ที่ไม่กาวอินชาอัลลอฮ์อย่างที่นบีสุไลมานนั่นแหละนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะครับนะอาจจะนี้คำอธิบายต่อไปอีกพวกฟุกกะฮาคำว่าฟุกกะฮะอธิบายยังไงพวกนักคิด คนที่เข้าใจศาสนาและอธิบายเองใช้ความคิดของตัวเองอาศัยคุรานอาศัยหะดิษพวกฟุก ฮ, ฮ, ฮ, ฮอาอธิบายอย่างนี้นึกในใจอย่างเดียวนะนึกในใจอย่างเดียวพอไหมไม่ต้องกล่าวไม่ต้องกาวอินชาอัลลอฮ์นึกคำว่าพอแล้วนี่ฟุกฮ่านะแต่ว่า ท่านนาบีสอนนึกในใจอย่างเดียวไม่พอเรื่องนี้ต้องกล่าวอินชาอัลลอ์ด้วยฉะนั้นถ้ากล่าวนี่มันดีใช่ไหมอินชาอัลลอ์นึกในใจพว ก, พวกข้อห้าวใ้ได้แต่ว่าที่ดีก็คือให้กล่าวอินชาอัลลอ์ด้วยนะอัอะตตอมาอายะที่ยี่สิบสี่อิลาอาั ย, ยาชาอัลลอฮ ว إِذَا ن َ س บ ي ักไยได้นัสิตะฟัَุลอาซาอาียะดิยานิรบบีลีอัَรบ์หมินَะดَรชดาเว้นแต่ต้องกล่าวว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์จบเรื่องหนึ่งต่อมาวัดคุรจงมุฮัมมัดเอ๋อร์จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ อัลลอฮ์องไหนครับรอบบากาพระผู้อาภิบาลของท่านอีดานาซีตาเมื่อเจ้าลืมถ้าหากิ่มกล่าวอินชาอัลลอฮ์วันที่เราคุยกันเนี่ยฉันจะซื้อทองมาให้ถ้าไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์เนี่ยมานึกได้กี่วันวันหลังนึกเมื่อไรก็ให้กล่าวอินชาอัลลอฮ์เมื่อนั้น คำอธิบายต่อว่าเราอิละสนะถึงแม้ว่าลืมไปแล้วปีหนึ่งพ่งนึกได้เออเฮ้ยวันนั้นกล่าวกับภรรยาว่าฉันจะซื้อของให้แล้วไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ปีหนึ่งแล้วมากล่าวทีหลังอินชาอัลลอฮ์ได้ไหมได้โอัลลอ์เห็นยังอัลลอ์ระจายกว้างไงวะ ถัดผ่านไปแล้วปีหนึ่งนะมันนึกได้ทีหลังให้กล่าวว่าไงนะอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮอัลกุบด์ทำนี่ขอบคุณนะวะคำอธิบายเป็นภาษาอรับก็คืออิดานัสยาอายะคุลละฟีฮัลฟีฮีอูฟีกาลามีฮีอินชาอัลลอฮฺวดะกะรวัลลอบะดะสันะฟัซุนน่ละหูอายะคุลดาริกถึงแม้ว่าจะลืมไปปีหนึ่งพวกนึกได้อลลวนนั้นสัญญากับ ครูสัญญา ก, กับนักเรียนสัญญา ก, กับคนนั้นหรือคนนี้แม้แต่ภรรยาตัวเองหรือลูกตัวเองไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮฺมันดึงได้ค็อปี้พอดีให้กล่าวอินชาอัลลอฮฺฮาดะฮุวซุนนะนี่คือสุนนะนบี Al อ, อัลฮัมดุลิลละอุลามะอีกท่านหนึ่งอธิบายอย่างนี้วะซุกุรอบบะอิดานาซิตจงรำเลึกถึงพระผู้อาภิบาลของท่านเมื่อเวลาท่านลืม อิดานัซีตะแปลว่าท่านลืมเนี่ยอธิบายอย่างงี้อิดากอดิบตะเมื่อท่านโกรธคำว่านัซีตะอธิบายกอดิบตะ When you are angry เมื่อคุณโกรธเนี่ยให้นึกถึงใครเยอะๆนึกถึงใครอัลลอฮ์อลัออลลอฮ์อักบะถเห็นคนท่านนึกถึงอลัลลอฮ์นึกถึงอลัลลอฮ์ตอนโกรธทำยังไงบางคนทำไม่เป็น ท่านแบบนี้ท่าหากว่าอยู่ในท่ายืนเปลี่ยนเป็นท่าอะไรท่านั่งท่าหากว่านั่งแล้วมันยังหึดๆึดดอยู่ให้เปลี่ยนเป็นท่านอนนอนแล้วมันยังร้อนชาอยู่เลยเนี่ยให้ทำไงให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำน้ำาดนี่ไงให้นึกถึงอัลลอฮหนึ่งให้ไปท่ายืนเปลี่ยนมาท่านั่ง นั่งไม่หายมานอนนอนไม่หายลุกขึ้นไปอาบน้านาหมาดไม่ใช่ลุกขึ้นอมบิโตไล่ฟันนันไม่ใช่นะลุกขึ้นแล้วก็ไปอาบน้านาหมาบพอถงน้ำดอบความโกรธฮะหมดเลยนี่เดินทามใครสุนนาตนนบีแล้วเราแปลว่าไงนะอัอลอฮบิลลัฮิมินชัชไซาะนิรโรจีตอนนี้พวกเราไมา่อย่างนั้นขณะนอนนอนอยู่น่นขึ้นพวดเลย มึงอยู่ไหน อ, อัอลลอฮ์อัลลอฮ์บางที่เอาดงดองวิ่งควยกัน อ, อัลลอฮ์นั่นไม่ใช่สุนนะนบีทั้งหมดถ้าทัาเข้าใจอิสลามไปเห็นคนประเพภทนี้สงสารไหมสงสาร อ, อัลลอฮ์เมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วสุนาวหลังเนี่หไหนหลังนี้เ่งหลั ง, น, น, งนี้นะ่ะไม่รู้ว่าใครมาจากไหนไมึมงทะเลาะ ก, กันนะ่ะ เขามากันสามคนมายืนหน้าพวเราคนนมาดลงมานี่ปฏิโกกูอัลลอฮ์ ô, ถ้าผมยั่ลงวันนั้นตาย <laughs> อย่าลงอย่าลงล <laughs> คนบ้าเพราะรอ่านกุมารน่เราอ่านทัดดีราอ่น า, าอนพบใช่ไเวลาโกรธเห็นนึกถึง Allah. อัลลอ์ไอ้นี่เวลาโกรธต้งถือมาถือมีดมาก็เรียบร้อยสิใช่ไหมอัลลอฮ์สังนางฟิกูอ่านวาสกุรอบบากาอีลานาซีแตจงรำลึียกถึงอัลลอ์ เวลาท่านลืมอธิบายอิดากอดิบต่เมื่อท่านโกรธนอุลมามะท่านนึงอธิบายอย่างนี้นะครับทีนี้เาอธิบายต่อไปอีกอิดากอลตาจันนตะกะพี่น้องที่มีสวนมีไร่สวนไร่อินทรพาลมไร่อะไรนะสวนยางแล้วก็ต้นลองกองลองกองแล้วก็ตามอย่าีมีสวนเป็นร้อยรอยพันไรม่มีมุสลิมรวยรวยมีมี Allah สาดนางพีกร์อานเวลาเข้าสวนนี่ว่าอย่างนี้มาชาอัลลอฮเวลาเข้าบ้านเราลูกหลานดีหมดเลยลูกกาลังอ่านอ่านกูร์านกันกำลังนามาย ก, กันอยู่ในบ้านมาชาอัลลอฮลาอัลลอฮอิลลับิลลให้พูดคำนี้ด้วยมาชาอัลลอฮลาอัลลอฮอิลลับิล ไม่มีใครเราที่ให้ลูกเราเป็นอย่างนี้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาห์อัลลอเนี่ยเข้าบ้านเราบ้านวันนี้อัลลอฮ์สะอาดไม่มีใยแยมลงมุมและมีเสียงอ่านคุรานอัลลอ์บ้านนี่มีบรารักัดว่าไงม له, าชาอัลลอฮละกูวะติลลับละละอีกอายะหนึ่งเขาบอกว่ า, วามายักรูนอีลาอยะชาอัลลอ์ له, พวกเขาจะไม่จดจำหรือรำลึก สิ่งใดไ ด, ได้นอกจากเป็นความประสงค์ของ Allah ูวาลุ ต, ตักวาะอวาลุลมกฟิรอ Allah ผู้ทรงยำเกรง Allah เป็นเจ้าแห่งการให้อภัยอ้าตกลงว่าได้ความรู้จากอาญานีนะได้หลายเรื่องนะทำให้เราต้องผูกพันกับ Allah ทีนี้ผูกพันกับ Allah นะเป็นยังไงวากุลจงกล่าว อาสบางทีอยียดิยานีรอบบีพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงยดิยานีทรงชี้นำหรือชี้แนะทางนำที่ถูกต้องแก่ฉันไลลีอักอรอบามินฮาดาโรชดาให้สู่ทาง ตรงตรงให้ใกล้กว่านี้หรือดีกว่าปัจจุบันนี้ต้องการอธิบายอย่างนี้ว่าให้ให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยมาถึงพวกเราวันนี้เนี่ยอย่าไปสนใจไอ้เรื่องทะเลาะกันเยอะๆให้สนใจในเรื่องศาสนาสอนคนอบรมคนเตือนคนโดยมารยาทดีๆไอ้เรื่องทะเลาะเนี่ยอย่าไปอยู่ในใจพยายามอย่าเถียงกันเยอะๆพอเถียงกันแล้วมีอะไร ขาดบรารกัดขาดความจำเริญจากอัลลอฮฺยกตัวอย่างก็คือถ้าเราไม่ทะเลาะ ก, กันรุ่นก่อนนี่นะไม่ทะเลาะ ก, กันนี่นะไม่เถียงกันบางนี้คงรู้แล้วว่าลายตุลก้อนจะได้อยู่ในคืนไหนไม่ต้องมานั่งหาทั้งสิคืนไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะผลจากการที่เราเถียงกันเยอะๆนี่ไหมอารับเถียงกันอียิปต์เป็นไงสองพันตายไปแล้วไม่รู้จะตายอีกเท่าไหร่แต่ึกเื้อผิงว่า850 จะวข่าวจากจะดีรอบนี่เป็นพันน่ะ น, นี่เป็นตัวพอทะเลาะ ก, กันเถียงกันใช่ไหมพอเถียงกันดีทะเลาะกันดีอิสราเอลขยายเมืองสร้างเมืองต่อไม่มีใครมาทะเลาะกับอิสราเอลแล้ววนันนี้พอทะเลาะ ก, กันเองขยายหมู่บ้านขยายเมืองขยายเมืองออลลอเห็นยังเรามุสลเีมตังเยอะ ไม่ถูกกันทะเลาะกันอะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่รู้กันว่าดับนะรออยัางไม่ให้ก็แล้วกันอ่ต่อมาอายะสุดท้ายี่สิบห้าวะลาบิสูฟิกะฟิหิมซลาซมีอตินซีนนวะสเดดูติสหะวะลาบิสูลาบิซาลาบิซาลาบิสูแป ล, ล, ลว่าพวกเขาชาวถ้ำ ลาบิซาแปลว่าอยู่พำนักอยู่ในถ้ำฟีกาฟีเิมพักอยู่ในถ้ำของพวกเขากี่วันซาลาสเมอาตินสามรอยปีนี่คุณอ่านอธิบายเลยคนที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยมีอย่หมดเจดคนที่แปลของพวกเขาก็คือหมาสุ น, นัขของพวกเขานอนอยู่ป่าถ้ำใช่ไหม นอนอยู่กี่วันซาลาสามิอาตินซีนีน300ปี300 years อัลลอฮฺอักบารวัสดาดูและพวกเขาพนวกอีกติสามแปลว่า9เานี่ยอธิบายอย่างนี้นะถ้าไม่อาศัยตับซีดไม่รู้อะไรบวกไปอีก9ผมไปเปิดตับซีดดูนะหลายๆลายภาษาอุนดูด้วยอาหรับบ้างอังกฤษบ้างได้อธิบายอย่างนี้ อินนะฮซลาสตุมิอชัมซียะที่ว่าส0 0ปีเนี่ยทางสุริยะคติอ่าทางสุริยะคติชัมซียะชายดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์นับตามดวงอาทิตย์น่ะได้300ปีวัลลามากะนะแต่หากว่านับทางกอมารียะมาถึงจันทรกติเนี่ยต้องเพิ่มมาอีกเท่าไหร่เปี ก็เป็น300กับ9ปีสแสดงว่าร0อปีเนี่ยทางสุรยิยคติน่ถ้านับแบบกอรมาริยาจะเพิ่มมาร0 0ปีต่อ3ปี3ปี3ปีร0 0ปีเพิ่มเพิ่มเพิ่มสาดนี้มัน300ปีก็เป็น9ปีทดลองว่าศาสนาอิสลามเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยผูกพันกับเดือน มากกว่าดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์จําเป็นไหมต้องเป็นจําเป็นมากดวงอาทิตย์ทําให้เรารู้อะไรอะรู้เวลานมาใช่ไหมล่ะอ้าวฤหัสนมาที่โมงนบีสอนเองให้ดูดวงอาทิตย์แต่เวลาเข้าเดือนเนี่ยให้ใช้กอมาริยะดวงจันท์ผู้หญิงมีประจําเดือนอย่าจ่ายยากาดเนี่ยอย่าใช้ ชัมสยาไม่ได้นะชายดวงอาทิตย์ไม่ได้เพราะมันขาดไปร้อยปีขาดไปสามปีอ่ะา น, นเวลาจะจ่ายสกาด ต, ต้องนับเดือนจันทรคตินี่อยู่หลายคนเขาสั์มานั่งคุยจ่านเดือนเนี่ยกรมาริยา ก, กับชัมสียามันอธิบายยังไงโอ้ต้องอธิบายก็ฟังแสดงว่าถ้าหากว่าใครที่มีอายุร้อยปีเนี่ยนะถ้าหากว่าชายสุริยคตินะ ขาดไปสาปีน่ะขาดไปสามปีเลยมาได้จ่ายสกาดไปสาปีสนุกอะอาร้อเรียนงานในวันกียรติมาอารืนับไม่เป็นหันสอนแล้วนะครับพี่กูอารืเรื่องที่สาบอกทำไมไม่นึกอะโอ้ตอบอยังไงไม่มีทางตอบเรื่องฉันไม่สนยี่ได้เรื่องส ก, กาดเรื่องส ก, กาดเรื่องผู้หญิงเรื่องประจําเดือนมาเรื่องเพศเรื่องนิฟาสเรื่องยาตนลงต้นล่า ง, งในใชายจันทราติหมด การอิสลามเนี่ยสอนให้เราผูกพันกับดวงอาทิตย์ผูกพันกับดวงจันทร์มากกว่าดวงอาทิตย์นะเอาถ้ำดูแลได้ได้ความรู้อืมเอาต่อมาครับวัลลาบิซูฟีกาฟิฮิมซาลามีอาตินซีนีนและพวกเขาชาวถ้ำพักอยู่ในถ้ำเนี่ยสามร้อยปีพักทําไมเขาถามเพ่อหนีหนีจะใครหนีจะคนชั่วหนีจากกษัตริย์ชั่ ว, วผู้ปกครองชั่ว ผูกฮาอลาุาอลมามกาอุลามะฟิกโกเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้อนุญาตให้คนดีๆเนี่ยถ้ามีกษัตริย์หรือผู้ปกครองเร็วๆในบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะกษัตริย์เป็นคนซ้อเล็มอนุญาตให้หนีอ่าอย่าว่าซุลฟิรอรมินอัลรองเมอนุญาตให้อพยพให้หนี จากประเทศหรือจังหวัดหรือเมืองที่ตัวเองอยู่ไปอาศัยสถานที่อยู่ๆที่อื่นที่มันปลอดภัยกว่านี้นะ่ะนี่เป็นสุน n นาของบรรดาเอาลเลียกับเป็นสุน n นาของบรรดา ن บีเห็นไหมตัวรมว่าเมียเราดีแต่ผัวไม่ดีอยู่ด้วกันได้ไหมเลิกมาอยู่ไม่ไหวอยู่บรรดากอนคนชาวนระกเมียน่เป็นชาวสวรรค์ อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเลิกกันนะใช่ไหมลนะ่ะอนุญาตให้เลิกกันได้ไหมได้แต่ว่าทาไม่เลิกนะ่ะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกระดีมาแอนนี้ดีแน่นอนอยู่แล้วนี่อย่างนาบีทั้งหมดเนี่ยนบีหนีจากมักกะไปอยู่มัตินาทําทไมก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องรอนเลมเรื่องคนชั่วใช่ไหมอาลุกกาฟีเป น, นอนอยู่ตั้งสามร้ปีเพราะว่ารอนเลมคนชั่วหนีออกมาเพื่อรักษาศา ส, สนานาบีสอนต่อไปอีก ถ้าจะหนีไปอยู่ไปอยู่ที่เชิงเขาน่ยให้พาอะไรไปด้วยพาแพะาพาแพะไปเลี้ยงอย่างน้อยก็มีรุสกีใช่ไหมนะนีก้าจะอินแล้วใช่ไหมก็ต้องซื้อแพะตัวละหกพัน่ะจนเอ็นทีวีประกาศแล้วตัวละหกพันั้นแพงเลือเกินล่ะยังกัแพะหายากแต่ท่านคนที่จะทำกุศบาลเป็นหุ้นน่ะสี่พันหุ้นไอ่นะี่พันห้าร้อยบาทต่อนหนึ่งหุ้น ัวหนึ่งตัวน่ะมันเจคนใช่ไหมแต่ถ้าซื้อแพะตัวเดียวน่ะหกพันโอ้ฉะนั้นนบีส่งเสริสสมไม่ไปเลี้ยงแพะอยู่เชิงเขาเพื่อรักษาอิห ม, มานรักษาศาสนาพอถึงปีก็ได้เงินด้วยเลี้ยงให้ ด, ดีได้เป็นล้านางานนี้นะนะอัลลอัลลอฮุมารบบิฮัมดิกัสซุลลาหอิลาหอิลลาหอันตะอัสตัุุาวะตุบลคุซัลลมวะลัยุมรห์มัตุลลอฮวะบระกาตุ